กิเลสไม่ไปด้วยอํานาจบาปอากุศลไปตามมัชฌิมาปฏิปทาไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจและไปเพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสุขโตโลกวิทูพระพุทธเจ้ารู้แจ้งลูกอนุตตรปุริสธรรมสารทิซึ่งอันนี้คือที่ตั้งแห่งศรัทธาพระบอกว่าอริยสาวกที่มีความมั่นคงเลื่อมใสไม่หวันไไวในพระพุทธเจ้าเขาให้จิตของเขาเนี่ย โคจรไปในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในอิติปิโสเป็นต้นถ้ายิ่งเข้าใจเท่าใดเนี่ยนะศรัทธาก็จะมีกําลังยิ่งขึ้นเท่านั้นความรอบรู้ความเข้าใจก็จะมีเท่านั้นมันสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ประดิสถานศรัทธาได้มากที่สุดเมันถ้าเราจะมีศรัทธาดวงน้อยๆจะศรัทธาที่ไม่ค่อยจะมากบางคนบอกอุ๊ยเขาศรัทธามากนะเขาว่างั้น นะเขาอกมาไม่อยากเถียงหรอกแต่จะเล่าให้ฟังว่าศรัทธาจริงๆไม่ได้มากถามอย่างนี้ว่าเอาวันหนึ่งคุณคิดถึงพระพุทธเจ้ากับคิดถึงลูกหลานอันไหนมากกว่ากันเอาบอกว่าศรัทธาพระพุทธเจ้ามากมากแต่วันหนึ่งคิดถึงหน่อยเดียวที่เหลือคิดถึงแบ่งไปคิดเรื่องลูกมั่งคิดเรื่องลูกสามชั่วโมงคิดเรื่องงานห้าชั่วโมงคิดถึงเรื่องหลับเรื่องนอนที่อยู่ที่กินรถราเรื่องบ้านช่องห้องหอการเมืองบางทีพูดเรื่องบ้านเมือ ง, ม, ง, ม, งมากกว่าเรื่องพระพุทธเจ้าบอกว่ามีศรัทธามาก มากได้ยังไงคิดถึงครั้งเดียวเองบอกว่าคิดถึงอู้ยศรัาพระพุทธเจ้ามากอันนี้ปฏิตัดทิ้งได้เลยว่าจริงๆแล้วเลื่อมใสไม่มากถือว่านิดเดียววันหนึ่งเนี่ยวัดกันที่นาทีเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่นาทีอารักขสมัมมาบางทีรีบด้วยซ้ำไปนะนะเพราะนนั <laughs> ้นแสดงว่าศรัทธาไม่ได้มากอะไรบอกอูเชื่อมากแล้วก็ถ้าคิดว่าตัวเองเชื่อมากก็ตามใจอนะแต่ว่าเอาเช็ค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 ถ้าเช้าก็เย็นนะใช้เวลาสวดมนต์กี่นาทีเอาเฉพาะตัวพุทธคุณนะเรื่องอื่นยกต้องยกไว้อาจจะไปสวดมนต์วิชาบทอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะ่ไรคาถาอาคมเวทมนต์ขลังอะไรเยอะแยะก็ช่างเถอะแต่ว่าอยู่กับพระพุทธคุณจรงิงๆอะ่ะถึงช่วงถึงสิบนาทีไหมต่อวันนะหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงยี่สิสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันนั้นตลอดชีวิตเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งกี่นาทีนะถ้ามาวัดกันตรงนี้จะรู้ว่าไม่มากนะถือว่าศรัทธาเนี่ไม่มาก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 เพราะฉันคิดถึงอะไรที่เกิดได้หมดบอกว่าในคำพี์เขาพูดถึงเรื่องพระภิกษุรูปหนึ่งโอ้ยนอนคิดถึงจีวอนฟื้นสวยตายคืนนั้นเกิดไปที่ไหนมาเกิดอยู่ในจีวอนนั่นแหละเกิดในจีวอนแค่เราเกิดเป็นเลนเกิดเป็นตัวรายฝุ่นนะนะรายฝุ่นนิดเดียวอยู่ในเราเป็นเลนอ่ะเป็นตระกูลรายฝุ่นเกิดที่เลนอายุเจ็ดวันตายดีว่าอดีตเคยเป็นพระภิกษุที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เลยตายจากเลนแล้วไปเกิดในสวรรค์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 พันธ์ศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราถ้าจะให้ใจเรามีศรัทธามีคุณค่ามีคุณภาพมีอนุภาพยิ่งขึ้นเนี่ยนะเราต้องปลูกใจไว้กับสถานที่ที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงสูงพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นสถานที่ที่ควรฝากศรัทธาไว้ดีที่สุดแม้กระทั่งว่าในยุคสมัยสมัยนี้โดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยนะสมัยที่คนเนี่ย เ, เริ่มใส่ผิดที่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 เคยมีพระบางโรคพอสึกไปขนาดน่ะโอ้ยยมเอาเทพเอาอะไรไปเผาทิ้งหมดเลยบอกโอ้ยเนี่ยไม่ดีจริงเอ้าก็นั่นน่ะสิถ้าไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างนี้หรอกมาเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาขึ้นก็แสดงว่าอเมื่อจิตใจเราเปลี่ยนไปเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ได้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเรามาเลื่อมใสายผิดที่เพราะฉะนั้นเราต้องฝากใจของเราไว้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น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 ถ้าหากว่าเราเอาก้อนหินเนี่ยเท่ากับปั้นเนี่ยโยนลงไปในน้ําเนี่ยมันจะลอยไหมหินแท้ๆเลยเนี่ยนะไม่ใช่หินเทียมหินโฟมไม่ใช่นะหินแท้เลยอะ่ะโยนเข้าไปไม่มีอะไรรองรับเลยเนี่ยโจม่าจมน้ําม่ไม่ใช่น้ำแข็งนะน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะจมไหมบอกจมแต่ถ้าหากว่าเอาหินเนี่ยนะสักพันตันเออซักร้อยตันเอาเอาหินร้อยตันเนี่ยไปวางลงในเรือบรรทุกเครื่องบินไว้ในทะเลเนี่ยมันจะจมไหมโจม่า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 พระเทวทัศน์สัมนึกในพระคุณของพระพุทธเจ้ามากก่อนตายแต่เนื่องจากอนันตริยกรรมเนี่ยนะก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเสร็จก็นึกถึงความชั่วที่ตัวเองทํากับพระพุทธเจ้าต่อก็เลยตกนรกเพราะจิตเศร้ามองก่อนตายเพราะถ้าหากว่าเราเนี่ยนะหลายคนก็บอกแม้ชีวิตของเขาเนี่ยมันอาภัพมานึกถึงความหลังเมื่อไหร่ก็ไม่สบายใจเลยบอกไม่ต้องนึกถึงเรื่องของตัวเองแล้วบัตดนี้แล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพอ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 การปฏิบัติเขวัดกันที่จิตไม่ใช่วัดกันที่ร่างกายไม่ได้นั่งมากแล้วปฏิบัติมากยืนมากแล้วปฏิบัติมากเดินมากแล้วปฏิบัติมากหรือนอนมากแล้วปฏิบัติมากเขวัดกันที่คุณภาพของสติคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยมากเรียกว่าพุทธานุสติแปลภาษาไทยบอกพุทธานุสติเจริญยังไงบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากมนั่นแหละคือการเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะอนุสติแปลว่าการระลึกถึงไอ้ระลึกถึงก็คิดถึงนั่นแหละ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 พระโสดาบันนางหนึ่งเนี่ยนะความที่นางสั่งสมพุทธานสุสติสั่งสมพุทธคุณเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านางเดินสะดุดนิดหนึ่งก็บอกนะโมตัสสะภควะโตัวระหะตสัมมาสัมพุทธะแปลภาษาไทยว่าข อ, น, อน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นอะไรแบบอะไรดังก้องแกงก็ขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคิดได้อย่างนี้ตลอด มีครับทีนี้สามีเนี่ยมันรําคาญมากเลยสามีเนี่รําคาญเพราะนับถือคนลศาสนาเมียเ น, นี่ยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันพวนี่เป็นคนลศาสนากันแม้คําพูดนะ้โมตสระภควะตัวระหะตัวสัมมาสัมพุทธส า, ารําคาญที่สุดในบรรดาคำทั้งหลายมันไสมากเลยเทําไงดีเนาะมีวันหนึ่งเขาก็เลยเลี้ยงนักบวชศาสนาของเขาห้าร้อยท่านบอกนี่หล่อน บอกว่าเธอเนี่ยวันนี้ฉันขอร้องเธออย่าพูดถึงสมณะโลนสักวันหนึ่งได้ไหมบัมคาญมากเลยบอกไม่ได้ไม่ได้ฉันจะฆ่าเธอทิ้งนะฆ่าให้ตายฉันก็ไม่เลิกไม่รู้จะทำยังไงชักดาบมาแล้วก็กไม่เลิกพูดไม่ได้ในที่สุดก็บอก <ST> ก็จะพยายามไม่พูดอ่ะนะแต่ให้เลิกคิดเนี่ยคงดำไม่ได้หรอกแต่ว่าจะพยายามไม่พูดให้ได้ยินในที่สุดนาวันนั้นเป็นวันทําบุญเลี้ยงพราหมณนางก็ไปช่วยสามี ทำงานของสามีอะนะก็ช่วยๆกันไปนี่ก็ถือทัพพีแล้วไปเดินสะดุดอะไรไม่ทราบทัพพีมันตกนะโมตสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะโอ้โหสามีนี่โกรธมากเลยเสร็จแล้วเพื่อนนักบวชคนละศาสนาเอ้ยที่ถูกหลอกมามากเนี่ยก็เลยเดินกันไปหมดสามีนี่โกรธมากเลยนะบอกไม่รู้จะทํายังไงกับเมียนะ่าก็ตายเพราะยังไงนางก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจ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 สมาธิบุคคลไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเสคาในสมาธิมิใช่ฐานะที่จะเลื่อมใสในความไม่ประมาทแล้วก็ปฏิสันฐานเป็นต้นมันจะเป็นหลักการเป็นอย่างไรเพราะผู้ใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเลื่อมใสในพระธรรมด้วยเพราะพระธรรมนี้เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ลืมต้องไม่ลืมว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว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 พระพุทธเจ้าฟันจะต้องพยายามระลึกไว้เสมอโยธรรมมังปสติโสมังปสติเนี่นะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรายัานบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจถ้าเราปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจถ้าเราเห็นอริยสัจจะเห็นพระพุทธเจ้าผู้สอนอริยสัจด้วยฟันผู้ที่เห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าพระโสดาบันนะพระโสดาบันคือผู้ที่เห็นอริยสัจเราก็ใส่ใจเพื่อรู้เห็น อริยศาสตร์เนี่ยนะถ้าเราเป็นพระโสดาบันธรรมะตัวนั้นเนี่ยน ะ, ะผู้ที่เห็นอริยศาสตร์เนี่ยความเห็นตัวนั้นเป็นสัมมาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิชั้นสูงเรียกว่าสัมมาอ่มามัคคะสัมมาทิฐิมัคคะสัมมาทิฏฐิหรืออริยมรรคอันนั้นแหละธรรมะตัวนั้นแปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วนะทําให้ไปเกิดที่ไหนเกิดใน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 บอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เขาคิดจะกูดใกล้กรงราชครึกครั้งนั้นแหลปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเรกว่าเ ท, เทวดารูปหนึ่งอ่ะนะปัญจสิกขนเทพบุตรนั้นเป็นชายหนุ่มเลี้ยงวัวเป็นชายหนุ่มเลี้ยงวัวแต่เป็นคนชอบทำบุญประเภทสาธารณกุศลเช่นดูแลดูแลเรื่องถนนหนทางเนี่ยนะช่วยเหลือในการสร้างหนทางสร้างศาลาข้างทาง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 ราตรีก้าล่วงไปก็คือประมาณหลังสีทุ่มไปแล้วมีรัศมีงดงามยิ่งส่องเขาคิจกูดให้สว่างไสวเป็นเทวดาส่องสว่างมาเลยนะตรงเรื่องนี้คิดถึงนะเขาคิดจกักรูดเพิ่งไปขึ้นมาเนะี่ยแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งปัญจสิก ข, ขคนทันเทพบุตรยืนแล้วก็แลณะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง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 เพราะฉะนั้นเขาจะเอาเรื่องราวในที่ประชุมในสวรรค์น่ะมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปัญจสิกขะเธอจงบอกแกเ่เราเถิดเล่าเถอะเราไปาปัญจสิกันคนทันเทพบุตรก็เล่าว่าพระเจ้าข้าวันก่อนหลายวันมาแล้วในวันอุโบสถที่สิบห้าค่ำเป็นราตรีวันเพ็ญแห่งปวารณาพวกเทวดาชั้นดาวดึงทั้งสิ้น นั่งประชุมพร้อมเพียงกันที่สุธรรมสภาเขาก็จะมีสภาเนี่ยนะก็มีสภาของสวรรค์เนี่ยนะก็เหมือนในโลกเนี่ยบ้านเมือง ท, ทุกบ้านเมืองก็จะมีสภาที่สวรรค์ชั้นดาวเดึงก็มีสภาเนี่ยนะทิพยะบริษัทเนี่ยนะทิพยบริษัทมูลใหญ่นั่งล้อมรอบก็มีเท้าสักกะเป็นประธานแล้วก็มีเทวดาอีกสามสิบสามท่าน ก็เลยเรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงมาจากเตปติงสาหรือตาวติงสาแปลว่าสามสิบสามเรียกว่าพระพวกสามิบสามทำบุญแล้วไปเกิดเป็นพวกเดียวกันอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เลยเป็นชื่อที่มาของสวรรค์คำว่าดาวดึงเนี่ยนะดาวดึงเนี่ยหมายว่าพวกสามสิบสามเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วก็จะมีเทพบริษัทอีกถัดจากนั้นก็มีเท้ามหาราช ท, ทั้งสี่องค์ผู้นํานั่งประจำสี่ทิศหรือว่าอยู่ในสี่ทิศคือทิ่ตะวันออกนี่เท้ามหาราช ท, ทัตระทะ เทวดาเป็นพวกเทวดาห้อมล้อมนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกคือคือตรงกลางนี่จะเป็นพระอินทร์แล้วก็จะมีพวกเทวดาสาสิบสามท่านแล้วก็จะมีเทวดาเหล่าอื่นที่มีบุญหนักสักใหญ่เนี่ยนะแล้วก็เ ท, ท้าทตระทะเป็นราชาแห่งนักร้องเทวดานักร้องคนทันสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยนะมี ม, มีมีเทวดาที่เป็นราชาอยู่สี่ท่านด้วยกันจาตุมมหาราจาตุมก็แปลว่าจาตกแปลว่าสี่ มหาราชก็คือราชา เ, เทวดาอยู่สี่กลุ่มด้วยกันเป็นสี่กลุ่มพระอินเนี่ยตำแหน่งของพระอินเนี่ยครอบคลุมดาวดึงกับชั้นจาตุ่ม เ, เทวดาชั้นจาตุมมีมหาราชสี่องค์เนี่ยท้ามหาราชสีองค์เนี่ ย, าายที่ดูแลควบคุมมาถึงพวกเทวดาที่พวกภุมะเทวดาขึ้นไปเช่นท้ามัทตารถเนี่ยนะเป็นราชาของคนทัน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 พวกนี้เทวดาแวดล้อมหันนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือนั่งอยู่ที่ใต้หันหน้าไปทิศเหนือถ้าววิรุณหกเนี่ยเป็นพวกกลุ่มพันกลุ่มพันก็เป็นยักษ์เอกตระกูลหนึ่งเนี่ยนะเป็นกลุ่มยักษ์ส่วนในทิศเหนือทเท้าอ่ะเข้าไปเท้ในทิศ ต, ตะวันตกเท้ามหาราชวิรูปักษนะวิรูปักขะในวิรูปักขะตระกูลนาคเป็นหัวน่ะ เ, เป็นเทวดามหาราชที่ดูแลควบคุมถึงพญานาคเนี่ยนะพวกกลุ่มพญานาคเนี่ยจะขึ้นตรงต่อเท้าวิรูปัก แล้วก็ทิศเหนือเท้ามหาราชเวสว ร, ร์เนี่ยนะท้าเวสว ร, ร์โนเนี่ยนะท้าเวสว ร, ร์ก็คืออันนี้เป็นพวกที่ดูแลเป็นเทวดาของพวกยักษ์ทั้งหลายก็นั่งห้อมล้อมกันทั้งหมดนี้ประชุมกันที่ธรรมสภาเทวดาสวรรษชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้าข่าก็แหละในเวลาที่เทวดาชั้นดาวดึงทั้งหมดเนี่ยนะด้วยการผู้นั่งประชุมกันอยู่ที่สุธรรมสภา ทิพยบริษัทใหญ่เนี่ยเป็นผู้นั่งห้อมล้อมท้าวมหาราชทั้งสี่องค์ก็เป็นผู้นั่งประจําอยู่ในทิศทั้งสบอกว่าอาสนะนี้เป็นของพวกท่านเหล่านั้นคืออาสนะนี้ชุดนี้เป็นของพระอินทิศอาสนะนี้เป็นของเทวดาอีกสาสองค์นะชุดนี้เป็นของท้าวมหาราชชุดนี้เป็นของเทวดาทั่ ว, วไปชุดนี้เป็นบริวารของท้าวมหาราช นะผู้นำอยู่ณปฐิตทั้งสี่ท้ายพวกหลังๆมาเนี่ยของข้าพระองค์นะเป็นเป็นพวกหลังๆมาเป็นอาสนะของพวกข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข้าพวกเทพเหล่าใดทีนี้มันมีเหตุการณ์พิเศษในในขณะที่ประชุมสภาเทวดาเนี่ยนะก็มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นว่าพวกคนเหล่าใดเทวดาเหล่าใดเนี่ยที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อไม่นานคือเรื่องเนี้ยเป็น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 พรหมจันทร์คืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเ yeah นี่ยนะบอกพระโสดาบันเนี่ยทำอธิสินให้บริบูรณ์อธิจิตพอประมาณอธิปัญญาพอประมาณเป็นพระโสดาบัน <ovich> สกทาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีเนี่ยอธิศีนบริบูรณ์อธิจิตบริบูรณ์อธิปัญญาพอประมาณถ้าผ้ารันสมบูรณ์ด้วยอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่ประพฤติพรหมจันทร์คืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะเช่นพระโสดาบันก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง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 ถ้าคนมีบุญปั๊บเนี่ยพวกบุญน้อยๆจะถอยไปคนที่มาที่หลังก็จะมานั่งข้างหน้าวัดการที่ลำแสงนะวัดที่แสงเนี่ยหนึ่งวัดที่ยศคือบริวารวันตอนที่มาร่วมเข้าประชุมเนี่ยมีบริวารมาขนาดไหนอย่างที่สามก็คือเอ่อพวกที่มีบุญมากจะอายุยืนเนี่ยนะพวกนี้อายุยืนเพราะเหตุนั้นเล่ากันว่าพวกเทพชั้นดาวดึงเนี่ยพากันชื่นใจดีใจกันมาก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 มองออกอะนะไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดตาหรอกมองตัวหัวก็รู้แล้วว่าโยกไปโยกมาเป็นเต้นกับระวังง่วงนั่นแหละก็คือสรุปว่าก็คือเขาขวัดกันที่ตัวความคิดเนี่ยนะวัดกันที่ตัวความคิดเพราะนั้นเขาเมื่อมองความคิดปั๊บเขาจะมองกันออกเนี่ยนะเขามองออกเขาตรวจดูว่ะจิตว่าอีฝ่ายคิดอะไรเท้าสากะเนี่ยความที่เขามีปัญญามากเขารู้เลยว่าโอ้เทวดาทั้งหลายเนี่ยดีใจมากที่ที่อะไรที่มีเทวดาพวกใหม่ๆที่มาเกิดเนี่ย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 นี่ถ้าเถียมว่าถ้าว่ากับคนที่เขาเอาเพชรไปกรรมมือเดียวเนี่ยนะกับรถนั่นแหะบรรทุกแกลบตั้งคันเนี่ยแกลบกับเพชรกรรมมือเดียวไห น, น, นมีบุญราคามากกันคือบุญบางอย่างนี่เขาวัดกันที่ตรงและค้าๆแบบนั้นอะ่ะฉั้นบุญบางอย่างเนี่ยถึงจะดูเหมือนทําไม่มากแต่ว่ามันมีผลมากมีอั น, นิี้สองมากบุญบางอย่างทํามากแต่กําไรนิดเดียวเนี่ยนะฉะนั้นก็ในผู้ศาสนาก็จะเน้นประเภทบุญที่มีผลมากบุญที่มี